วันนี้เป็นวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2 5๕วันนี้เข้าพรรษามาเป็นอาทิตย์ที่สามผมเองก็ได้บอกกระหมูพวกเพื่อนว่าจะประชุมในระหว่างวันพระ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 แต่ก็เป็นห่วงในจุดหนึ่งก็คือธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่พวกเราได้ฟังทุกวันทุกคืนช่วงนี้เขาก็งดไปจุดนี้ก็คือจุดหนึ่งที่ผมไม่สบายใจแต่ก่อนหน้านี้เราก็ได้ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาถ้าใครต้องการายธรรมะ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 ผมก็เป็นห่วงตรงที่ว่าเนี่ยที่าไม่ได้ฟังและกับผมเองก็ไม่ได้อบรมทั้งฝ่ายหมู่พกเพื่อนที่เป็นจิตจรักษณะแต่ถึงยังไงขอขอให้พวกเราทุกๆองค์นะบวดเข้ามาในคราวนี้ครั้งนี้อย่าได้ทะเลทลหลให้ตั้งอกตั้งใจเลือกสถานที่ที่ภาวนา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 บางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่สบายใจพอเหตุไรเพราะว่าพวกท่านทั้งหลายใช้ของแบบโง่โง่เซ่อเซ่อทไมจึงพูดอย่างนั้นบางสิ่งบางอย่างของที่มีราคาแล้วเอาไปใช้ที่กุฏิแล้วก็ท้ายแบบทิ้งทิ้งคว่างควา ง, วางแบบเหมือนกับไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็ใช้ไปอย่างนั้น่ะแต่ทั้งที่รู้ว่านี้ราคาของมีราคา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 ถ้าเราไปซื้อในตลาดราคาเท่าไร่สมัยเป็นฆราวาสอาจจะไม่กล้าซื้อชุไดไ้ซัมไปแต่พอมาเป็นพระเราทําไมพวกท่านทั้งหลายจึงลืมตัวถึงขนาดนั้นผมก็มองไม่เห็นอีกเหมือนกันหรือเขามาส่งเสริมหรือเข้ามาเหยียบย่าหรือเข้ามาอะไรเสียงเรานี่ยพวกเราท่านทั้งหลายถามหัวใจพวกท่านนะที่ผมพูดให้ฟังนี่นะอันนี้คือในฐานะที่อาจารย์สอน ให้พวกท่านทั้งหลายอย่าลืมตัวถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายจะเป็นครูบาอาจารย์ต่อไปภายภาคหน้าแล้วก็ททำตัวอย่างนี้นะและจะเป็นยังไงต่อไปภายภาคหน้าลูกศิษย์ลูกหาของพวกท่านถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายมาบวชชั่วคราวแล้วก็มาทำตัวอย่างนี้อันไหนคือกดกฎเกณฑ์อันไหนทีจะเป็นศักดิ์ศรีอันไหนจะเป็น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 มองดูแล้วเหมือนกับของทิ้งเกลื่อนไปหมดเหมือนกับอะไรผมเห็นผมโอตายพระรุ่นใหม่ไม่มีกดไม่มีระเบียบเชลเลยไม่รักษาความสะอาดแก้วน้ําขวดน้ําเพอเพอขวดโคกขวดแค็กกวางทิ้งเกลือนดูในบริเวณที่กุฏิแคบๆวางเพียงวาเดียวท่านเอกุฏิ ไปเห็นแล้วดูไม่ไม่ได้ดูดูจะไม่ปัดกวาดต่างหากอยู่ในความเศร้าหมองอยู่ในความไม่โปร่งใสอยู่ในความไม่สะอาดผมพูดแล้วพูดอีกการอยู่ต้องสะอาดดูที่พักพาอาศัยถึงจะมีของมากก็ให้มีกฎให้เก็บเป็นระเบียบเก็บยังไงดูให้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 เอาสายมันเข้าข้างในแล้วก็เอ า, าขวาคอบไว้อย่างนี้พอตกตนเย็นเอาฝามันปิดแล้วก็เอาสายมันพับไปข้างบนข้างบนนะอย่าให้มันขวางที่นอนนะให้มันไปตามแนวแถวที่เรานอนผ้าคลองอยู่ตรงนี้ผ้าที่ใช้ผ้าในลาวตรงนั้น พให้เรียบร้อยผาดที่ตรงเราถ้าเอาไว้ตรงพื้นมันอาจจะเชิญก็ได้ผาดที่ตรงนั้นผาดพับเครึ่งแล้วก็ค่อยผาดอันไหนผาดอังสอันไหนพาดจีวอนอันไหนผานุ่งท่านจะจัดให้เรียบร้อยพาจัดพอครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเท่านั้นพอครั้งที่สามเลยยังไม่เรียบร้อยอะ่ะเท่นี้ ท่านจะอยู่หรือท่านจะไปเราสอนให้ท่านแล้ววิชาความเรียบร้อยมีแต่วิชาแบบเร็วๆยังไม่ได้สอนไปหนีโดยมากครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านเอาอย่างนั้นนะหลวงปู่ล่าก็ใช่ย้อยเมื่อไหร่สมัยผมเป็นพระท่านก็มาดูกนะุฏิของพระ ดูถ้าเห็นลกลงลังแล้วนะท่านก็ บ, บอกจัดดีๆพาทรรมอีกต่างหากแต่ว่าครั้งที่สองครั้งที่สามให้ระวังก็แล้วกันนี่แหละให้หมู่พวกเพื่อนทั้งหลายที่ผมพูดให้ฟังนี่นะอันนี้นหละคือสินสินและวินยัยถ้าว่าใครศรัทธาญาติโยมเขามาเห็นมาเห็นห้องนอนของพระ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 อย่างจังจังให้ดูแล้วผมจะไปดูอีกนะขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะอันนี้คือการเป็นอยู่ความเรียบร้อยความเป็นระเบียบต้องจัดที่ตัวเองก่อนจะค่อยมองที่อื่นสําหรับผมผมก็นั้นผมก็ดูผมเหมือนกันนะที่พูดทางนี้ทางนั้นผมก็มองอยู่ แต่เขาผมก็มีหมู่พเพื่อนไปจัดแต่ถึงยังไงก็เถอดผมอยู่องค์เดียวสมัยก่อนผมยิ่งมีของน้อยกว่านี้อันนี้โดยมากที่ผมเก็บเงคือโดยมากเอกสารจะมากกว่าเพราะมันมีความจําเป็นจะไปปล่อยปลาเลยเอกสารจําเป็นบางตัวเราจะไปปล่อยก็ไม่ได้ต้องเก็บเอาไว้ต้องดูแลนั่นแหละที่มันลกลงหลังวางสิ่งบางที่ที่เราเก็บ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 ไปดูดูเช่พวกกูบาทั้งหลายไปดูน ะ, ะ, ะ, ะ, ะแต่ก่อนหน้านี้เราก็เคยไปเจอแล้วนะลรลุงลังยิ่งกว่าอะไรอีกปรปับปรุงแก้ไขตัวเองบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงจะมาอยู่นานว่ามันจะดีทีเดียวก็ไม่ใช่นะไอ้ชนีดามันมาอยู่กับเราในนานเนะมันก็ยังเป็นชนีดาอย่างเก่า นิสัยเกเรอย่างเก่าเผเผอจะกัดคนอย่างเก่าเพราะเหตุไรไม่ใช่มันจะดีทีเดียวมาอยู่ที่วัดนานทํามาอยู่แล้วไม่ปรับปรุงแก้ไขมันต้องดูปรับปรุงแก้ไขอย่างไงที่หลวงพ่อบอกอย่านี้นะฟังมีเหตุผลไหมถูกต้องไหมหรือว่าตัวเองขี้เกียจถ้าว่าตัวเองขี้เกียจมันก็นอย่างว่าด ถ้าฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ันน ะ, นะคือหลักธรรมวินัยศินและวินัยคนที่มีวินัยคนที่มีศินธีรายจารวัตรน่ะใครใครเห็นก็สบายตาสบายใจแต่ถ้าว่าเราอยู่ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยแล้วใครเห็นแล้วก็ไม่สบายใจอย่างที่ว่านั่นนะโอ้ทายังไง พุทธศาสนาจะยั่งยืนไปได้ขนาดไหนนี่ขนาดพระทำตนอย่างนี้นี่แหละผมเห็นพระในสื่อต่างๆในข่าวต่างๆที่บุคคลบอกกล่าวผมไม่ใช่ผมสบายใจนะผมไม่สบายใจคออือยังไงก็ยังไงก็คือวงสาขนาญาติทำไหมถ้าตัวเองจะเร็วจะช่วยช้า จะทำให้เสียหายทำไมไม่ออกไปเป็นคราวาสมันอดหมดทนทางขนาดนั้นเชียวหรือทำไมยังมาทำตนในเพศธรรมณะหรือเพศของพระมันไม่น่าจะถูกต้องเพศนี้มันเป็นเพศที่คน ก, กราบไหว้เคารพสักการะบูชาแต่ใครเห็นใครได้ยินก็ไม่สบายอกไม่สบายใจไม่สบายใจกับการ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 ถ้าทำตนเองเร็วจะดีได้อย่างไรดีแต่ชื่อเท่านั้นเองมีแต่พระดีมันโดยมากมันตรงข้ามเพราะเหตุไรเพราะตัวเองทำไม่ดีจะไปดีได้อย่างไรแลงั้นขอให้พวกเรานะเข้ามาบวชทั้งทีนะให้ทั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติเรื่องจิตภาวนา เ, นเป็นสิ่งจำเป็นสาคัญ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 เขามาอยู่ในหมู่เขไม่ได้เพราะตัวเองเป็นโรคเรื้อนต้องไปฟังนอกพุทธบริษัทอกนอกหมู่นั่งอยู่ห่างๆแต่พระพุทธองค์แสดงธรรมเขาก็ฟังได้ยินพอฟังเสร็จจบลงแล้วเขาได้สำเร็จพระโสดาบันพอได้พระโสดาบันเออเราจะเข้าไปออแสดงความเคารพและขอบพระคุณ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 โสดาบันแล้วพระเจ้าข่านที่ได้ฟังธรรมเทศนายอยู่ในจุด น, นะนี้น่คือความหมายของเขาแต่เข้าไปไม่ได้เพราะคนมันเยอะแต่นี้พระองค์จะเด็ดกลับเข้าประคันถ้กคุดีแต่นี้ก็จุ ป, ปะพุทธกุธทีเนะ่คนก็แยกย้ายกาันกว่านที่คนจะกลับไปได้ไปหมดแต่แกก็จะถึงยังไงก็ยังคิดคิดถึงพระพุทธเจ้าจะไปรายงานตัว กับปปุถะเจ้าว่าข้าพราะองค์เนี่ยได้สำเร็จพระโสดาบัตเขาก็เดินมาเดินมาพระอินทร์รู้วรจิตของสุปพุทธกุฏิท่านก็ยับยั้งอยู่ในอากาศพระอินทร์นะดูก่อนท่านสุปพุทธกุฏิท่านเป็นคนยากจนท่านเป็นคนอนาถาท่านเป็นคนกัมพา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 หลอกลวงท่านพูดไดไ้ถ้าท่านประเทศเศได้เอาเราจะให้เงินท่านจเจ้าเท่าไหร่สุปาภุฑ ธ, ธาบอกว่าท่านเป็นใครพระ อ, อินทร์บอกข้าเป็นสักกะเป็นพระ อ, อินทร์โอ้โหท่านทำไมจึงเลวถึงขนาดนี้จึงโง่ถึงขนาดนี้ทาไมจะมาดูถูกข้าว่าข้าเนี่ยเป็น คนทุกคนจนข้าเป็นคนกัมพะข้าเนี่ยเป็นคนไม่มีทรัพย์ข้าเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์ข้ามีศรัทธาข้ามีศินข้ามีฮิริข้ามีอตตะปะข้ามีทานข้ามีปัญญาอริยทรัพย์เ็อยู่กับข้าข้าเนี่ยเป็นผู้ร่ำรวย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 อันนั้นก็คือคนที่ท่านได้รู้จริงเห็นจริงในธรรมพอพูดเท่านั้นแหะพระอินทร์ก็หายปับไปกราบทูลพระพุทธเจ้าก่อนโอ้ข้าพระองค์ได้ไปทดลองไปทดสอบสุ ป, ปาพุธกุฏิเนี่ยโอ้เขาพูดอย่างเข้มแข็งเข้มข้นพระเจ้าข่าพระพุทธองค์บอกว่ามหาบุพิษสักกะถึงจะเป็นทั้งร้อยทั้งพันพระองค์ก็เถอะ จะไปพูดให้กับใจของเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นอริยบุคคลแล้วเป็นผู้มีความเชื่อมั่นเชื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีการเสื่อมคลายแล้วนี่แหละสุ ป, ปพุทธะเนี่ยจากนั้นสุปพุทธะก็มาถึงสุปพุทธก็กราบทูลพระพุทธเจ้ า, ปป า, า, า ว, ว่าข้าพระองค์ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ได้สำเร็จพระสูา แล้วก็มีศักกะมาพูดให้ข้าพระ อ, องค์ว่าจะให้เงินให้ข้าพระ อ, องค์กลับคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ของจริงข้าพระ อ, องค์ไม่มีการหวั่นไหวนี่แหละถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้ภาวนาได้ปฏิบัตินะได้รู้แจ้งเห็นจริงในใจแล้วน่มันไม่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 ผมนั่นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะนี่แหละท่านสุปปพุทธกุติเนี่ยนะพอไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเออดีนี่แนะแต่จากนั้นมาท่านก็เดินออกไปพอเดินออกไปไม่นานวัวที่เป็นยักษ์ินีให้เขาว่าเป็นอริศัตรูกันในอดีตวัวแม่ลูกอ่อนกระโดดควิดเขาก็เลยตาย พระสงฆ์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าสุปาพุทธทิที่มากราบทูลพระพุทธองค์นั้นไปออกไปไม่นานวัวถูกวัวชนตายใช่แล้วพระพุทธองค์บอกว่าเนี่ยบาปอากุศลเวรจองเวรกันวัวตัวเดียวกันนั่นแหะที่พระพายยะธารุจริยะที่วัวตัว ตัวที่น่ะขีดตายสุปาพุท ธ, ธากุเทนี่คะวัวตัวนี้ขิดตายคนหนึ่งก็เป็นอัมมาดจะเป็นอะไรวัวขีดตายอีกวัวตัวนี้แหละพระสงฆ์ก็เลยกราบถูนถามพระพุทธเจ้าว่าด้วยเหตุอันใด ห, หนอพระเจ้าข่าวัวจึงได้มาฆ่าคนทั้งสี่คนพระพุทธองค์บอกว่าก่อนหน้านี้นับจากนี้ไปเกือบร้อยอัตภาพ สี่คนเน่เป็นลูกเศรษฐีอราพอลูกเศรษฐีกกินเหล้าเข้ามาสนุกแล้วก็ไปว่าไปว่าจ้างโสเพณีผู้หญิงหากินอไปเกิดเอาไปในสวนอุทยานที่รับตาคนอไปแล้วก่อนนะ่นะไปอยู่ทั้งสี่คนรวมกันลกันกับผู้หญิงคนเดียว พลในสุะถอดเอาแหวนเอาเงินเอาทองให้เป็นค่าก่อนที่เขาจะไปด้วยพอเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยเอาวัตถุปุ่นเปื้อเข้าไปพอเสร็จแล้วเขามันเราไม่มีใครเน่ะวะเราค่ามันแล้วก็หมกดินฝังดินมันแล้วก็จบกลับต่างคนต่างกลับเอาเงินที่เราให้ไปทองที่เราให้ไปกับมันเนี่ย อกคืนเนี่ยขามันทิ้งเลยใครจะรู้วักเราตั้งสี่คนเลยว่าปวดหนักกันนั่นจับมากับค้อนทุบข่าแล้วงั้น น, า, นางโสพินีคนที่ตาย อ, า อ, า อ, าอามาอยู่กับข้าทำกับข้าแล้วคนที่สุขกมากฆ่าข่าอีกขอให้ข้าพระเจ้าได้เป็นยักษิีนีฆ่าพวกนี้ตลอดนาน เหมือนกับพวกเขาเหล่านี้ฆ่าข้าพระเจ้าทุกพพทุกชาติด้วยเถิดคือจองเวรนะเพราะนั้นพวกทีนี้เกิดขึ้นมากันเนี่ยัะอย่างตัวนี้วัวตัวนี้กันนะคิดเอาตายเอาตายเอานะทุกพพทุกชาติเกือบเป็นร้อยอัตภาพน่ยพระพุทธองค์ท่านได้ตรัสแต่ก็มีท่านพาหิยะ ที่ได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์พระายธารุจริยาสุปาพุทธากุธินี่พระโสดาบันแต่นอกนั้นสองคนยังคงจะสู้กันไปอีกนานมัน้งจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเนี่ยแต่ทำไมพระแต่ทไมคุณสุปา พ, พุทธากุธีจะเป็นโรคเรือ้อพระเจ้าข่า พระองค์บอกว่าการกระทําของเขาในอดีตชาติเขาเห็นพระประเจรพุทธเจ้าเดินมาเห็นกระทาอาการรังเกียจอารมณ์อาการรังเกียจพระประเจรพุทธเจ้าและถุยน้ําลายให้เขาถุยน้ํำลายต่อหน้าท่านจากนั้นก็หลีกไปทางซ้ายคือว่าหลีกไปทางขวานี่คือพระทักษิณ น, นะ อันนี้หลีกผดางซ้ายไปไม่แสดงความเคารพอย่างสุดเพราะถุยทําลายแล้วก็หลีกไปทางซ้ายในอัตภาพนั้นแหละทำกรรมบาปกรรมจากนั้นลงไปไหม้อยู่ในเอเวจีมหานรกเสียนานยังขึ้นมาแล้วกันนะเป็นโรคเรื้อนอยู่ในร่างกายตัวเองเพราะว่าบาปกรรมตัวนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่าน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 ท่านได้ผลมาแล้วอย่างพิสูจน์มาแล้วเนี่ยสายหลวงปู่มั่นองค์ไหนองค์นั้นที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานแนวแถวองค์หลวงปู่มั่นท่านกำหนดภาวนาพทุทโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนี่แหละอันนี้คือแนวของหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแต่ถึงยังไงขอให้พวกเราเดินตามสายนี้ก่อน สามเดือนเนี่ยอย่าไปคิดไปสายอื่นให้เดินตามสายนี้พุโทโธแต่ส่วนปัญญาเน่เราจะพิจารณาอะไรเราจงค่อยพิจารณาอีกพิจารณาไตรลักษณ์ในจางทุกขังหน้าตากำหนดดูตัวผู้รู้กำหนดดูกายกำหนดดูการเป็นอยู่ของเรา ให้เห็นอนิจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนาตาไม่ใช่ตัวตนของเราสรุปแล้วก็คือให้ดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจ่มันดูสองอย่างเท่านั้นกายก็คือการเป็นอยู่ทุกอย่างการเคลื่อนไหวของของอย่างการอยู่การกินการหลับการนอนการพูดการคุยการสนทนาปรับรอเรื่อการพูดการแสดงธรรมอย่างนี้น่ะ อันนี้เราคือทางกายแต่ใจเนี่ยคือเป็นผู้สั่งให้กายพูดตัวผู้รู้แต่เขาก็ว่าสมอง ต, ตามไม่จริงมันมันเหนือกว่าสมองเนี่ยท่านหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านวัดใจนั่นน่ยตัวผู้รู้คือนามธรรมนะตัวนั้นเป็นสิ่งที่ในหลักธรรมคาสอนท่านให้ความสนใจท่านในความ สังเกตดูมองเพ่งกาหนดตัว ร, รู้นั่นะตัวนั้นนะตัวตัวการใหญ่ตัวการสำคัญดูกายเจแล้วให้ดูใจใจของเรานึกเคิดเรื่องอะไรพอใจไม่พอใจเรื่องอะไรยินดียินร้ายอะไรใ ห, ให้ดูให้สังเกตให้ใช้ปัญญาให้ใช้สติและใช้ปัญญาด้วยสติคือความกาหนดให้ดู กำหนดให้มีสติและกับมีปัญญาดูกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลจากนั้นก็ น, นั้นเห็นจะเห็นสิ่งที่มันไม่ดีอยู่ในใจเห็นอนันในจังอยู่ในใจเห็นทุกขังในใจเห็นอันาตาอยู่ในใจเมื่อเห็นอนันในจังทุกขังอันาตาแล้วจะไปยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงไม่ถ้าปล่อยวางเท่านั้นนะปล่อยวางที่ใจแล้วเมื่อปล่อยวางกันนั้น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 สิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำอย่าส่งจิตไปหาหมู่หาเพื่อนเรื่องทะเลาะวิวาทกันอย่าได้มีเด็ดขาดถ้าพวกเราถือว่าผมเนี่ยเป็นพ่อหรือเป็นครูของพวกท่านผมเองนะผมให้ความเมตตาทุกภวองค์มีอะไรไม่ว่าแต่อยู่ในวัดอยู่นอกวัดก็เถอดหมู่พวกเพื่อนก็ยังมาหาอย่างวันนี้เน่มีมาหา จะทำยังไงพระคนป่วยองค์พ่อช่วยด้วยเถิดคนป่วยในวัดอ้าวได้เมีอะไรจะได้ใช้จะตุปัจไหมถ้าเข้าไปแล้วบอกนะหมอกเรานะถ้ามีความจําเป็นจะต้องได้ใช้ผมไม่ได้ปล่อยปาลาละเลยสําหรับหมู่พกเพื่อนน้องนุง่นงทั้งหลายไม่ว่าอยู่ในวัดอยู่นอกวัดเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายนะมีความไม่สบายใจไม่สบายกายยังไง